พทวาสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะสัสนสณีนาคคงนะคะมากับรายการสัสนสณีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวตอนเช้าเป็นประจำมาต้อนรับอรุณของท่านให้เป็นอรุณที่มีคุณค่าด้วยการนำคำสอนของพระศาสดาอันเป็นอมตะนะคะและเป็นความจริงที่สุดของโลกใบนี้แล้วมาทำให้ท่านได้รู้ได้เข้าใจได้รู้ว่าเป็นประโยชน์กับท่านอย่างไร แล้วตัดสินใจนำเอาไปใช้พันใดทันทีแล้วเราก็มีตัวอย่างในการที่จะให้นำเอาไปปฏิบัติโดยโลงมือปฏิบัติเองเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสนะคะว่าเราจะต้องรู้ได้ด้วยตนเองเป็นปัจจัตังนะคะตั้งแต่ตอนต้นของรายการคือการนำการปฏิบัติธรรมโดยพระภิกษุที่ได้ทําหน้าที่เป็นพระสงฆ์ที่พระาศาสดาตั้งใจจะให้ มาบอกสอนคําสอนของพระพุทธองค์มาโดยตลอดนะคะนั่นก็คือพระภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโสอุดรนธานีท่านก็เตรียมตัวให้พร้อมเพราะดิฉันกําลังจะพาท่านไปพบกับพระอาจารย์เดี๋ยวนี้ค่ะกราบนมัส ก, การกันท่านคะเตรียมบานในช่วงต้นของรายการเราก็มาทําความสงบกันสักนิดหนึ่งนะโดยการที่ให้เรามามีสติในะสติปลว่าการระลึกถึงอนะย่างเราระลึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วนะก็ชื่อว่า เราตั้งจิตของเราเอาไว้ในเรื่องนั้นแต่ซึ่งในกรณีนี้เราให้เรามาระลึกถึงลมหายใจของเราแ ล, ลมหายใจของเราที่ผ่านเข้าผ่านออกอย่างเป็นธรรมชาติและฝึกจิตของเราให้มีที่ตั้งที่ระลึกถึงเนี่ยเหนือน้อยเวลาที่มีสิ่งใดามากระทบอย่างน้อยจิตมันยังมีที่ไปนะ่ยที่อยู่อาศัยพระเจ้าของเราก็มีลมหายใจนี่แหละเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนที่อยู่อย่างเวลาเราจะไปที่ไหนตอนเย็นเราก็กลับมาบ้าน ไปต่างจังหวัดต่างประเทศสวันห้วันเดือน1นึ่งก็กลับมาบ้านเหมือนกันบางทีจิตเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่พอเราระลึกได้เมื่อไหร่ก็ให้จิตของเรานั้นกลับมาอยู่ที่บ้านบ้านนี้ก็หมายถึงเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมคือให้อยู่กับลมหายใจรับรู้ถึงสัมปัตของลมหายใจที่ไหนก็เอาจิตของเราไว้ที่ตรงนั้นคําสอนของพุระเจ้าที่จะให้ได้ทําการไครครวนในวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนบ่อยมากนะให้รู้จักความทุกข์ได้อธิบายในเรื่องนี้เอาไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอพึงรู้จักซึ่งความทุกข์พึงรู้จักเหตุเป็นแดนเกิดของทุกข์พึงรู้จักความเป็นต่างกันของทุกข์พึงรู้จักผลของทุกข์และพึงรู้จักความดับไม่เหลือของทุกข์และพึงรู้จัก ทางดาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกปิสุตลลายก็ความทุกคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำารรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้งใจเป็นทุกขความปรารถนาสิ่งใดและไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกกล่าวโดยย่อขัน อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นทั้งห้าเป็นทุกข์วิสุทิ์ั้งหลายเหตุเป็นแดนเกิดของทุกข์คือตัณหาความเป็นต่างกันของทุกข์คือทุกข์ที่มีประมาณยิ่งก็มีอยู่ทุกข์ที่มีประมาณน้อยก็มีอยู่ทุกข์ที่คลายช้าก็มีอยู่ทุกข์ที่กลายเร็วก็มีอยู่วิสุท์ทั้งหลายผลของทุกข์ เป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกความทุกข์ชนิดใดชนิดหนึ่งครอบงำแล้วมีจิตอันความทุกข์รวบรัดแล้วย่อมเศร้าโศกรำทมใจร่ําให้คร่าครวนทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุ่นงงคลั่งเพอหรือว่าเมื่อถูกความทุกข์ชนิดใดชนิดหนึ่งครอบงำแล้ว มีจิตอันความทุกข์รวบรัดแล้วย่อมถึงการสแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าไงหนอย่อมรู้เพื่อความดับไม่เหลือของทุกนี้ซักวิธีหนึ่งหรือสองวิธีภิกษตรงฆ์ลาเรากล่าวความทุกข์ว่ามีความหลงหลายเป็นผลหรือมิฉะนั้นก็มีการสแสวงหาที่พึ่งภายนอกเป็นผล นี่คือผลของความทุกข์และนี่คือลักษณะของความทุกข์ที่พระเจ้าให้เราพิจารณาใคร่ครวนนะพอเรารู้เรื่องทุกข์แล้วก็จะสามารถละวางนะทำความเข้าใจเรื่องความทุกข์ได้อาจาปอนสาธุค่ะท่านฟังทั้งหลายค่ะที่ผ่านมานั้นก็เป็นการนําการปฏิบัติธรรมโดยให้ท่านทั้งหลายได้นั่งสมาธิไปพร้อมๆกับพระสูตรที่ทําให้รู้จักความทุกข์มากขึ้น ว่าทุกนั้นคืออะไรมีเหตุอย่างไรและผลของความทุกข์เป็นอย่างไรส่วนต่อไปเดี๋ยวท่านเปิ่นปูนก็คงจะทำให้กระจ่างมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเราอาจจะได้พบว่าที่ผ่านมาเข้าใจความทุกข์ไม่ตลอดคิดว่าทุกข์เป็นสุขเพราะดิฉันได้จับได้คำหนึ่งที่บอกว่าทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บ ต, ตายน่ยนะคะแต่ดิฉัน ยังมีความรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยเกิดแล้วมันมีความสุขค่ะ เ, เราทําความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนไปทีละเรื่องก่อน น, นคือความทุกข์เนี่ยคือสิ่งที่เราอยู่กับมันอยู่ตลอดเวลานะรับพระเจ้าได้เคยให้ความหมายของความทุกข์เอาไว้อยู่หลายอย่างนะเช่นว่าความที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้นะไม่เที่ยงนี้ก็เป็นความทุกข์หรือว่าเวลาที่เราโดนอะไรเจ็บๆอันนี้มันทุกข์ชัดเจนใช่ไหมอันนี้เห็นแน่นอนและเวลาที่เราโดนอะไรที่มีความสุข อันนี้ก็เป็นทุกข์ที่แฝงเอาไว้เพราะว่าความที่มันไม่เที่ยงสิ่งที่ต้องการไฮไลท์ในที่นี้นะคุณโยมเต๋อคือข้อที่บอกว่าผลของความทุกข์เนี่ยจะมีอยู่2 อ, อย่างนะัคือความทุกข์เนี่ยทำให้มีความลหลงไหลเป็นผลอันนี้คือเราคุ้นเคยกันดีดูตามหน้าหนังสือพิมพ์นะมีทุกวันนะเช่นว่าที่เป็นโศกนาฏกรรมอย่างเงี้ยคดี<ะ>ที่เป็นโศกนตฏกรรมหรือว่าเรื่องราวร้าย ที่แบบโอ๊ยทำไมจะต้องมาเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่ถูกความทุกชนิดนี้ถูกความทุกข์ครอบงำแล้วเนี่ยก็จะ ร, รับำไรคลำกลัวนู่นบกโจกตัวอันนี้เป็นทางออกได้ทางที่1นึ่งนะ น, นี่คือทางที่1ที่คุณจะเป็นได้หรือ2อนะคนที่ถูกความทุกข์รวบรัดแล้วเนี่ยย่อมสแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครหนอย่อมรู้วิธีเพื่อความดับไม่เหลือของทุกนี้สัก1 ห, หรือ2วิธีนี่นะมันต่างกันตรงนี้นะ คือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือว่าคุณถูกต้องความทุกข์เนี่ยคุณมีทางเลือกคุณเลือกที่จะจมปลักแล้วก็ระมัย่ำลังอยู่ในความทุกข์หรือคุณเลือกที่จะออกจากความทุกข์นี้ให้คุณตัดสินใจอนี่คือผลของความทุกข์นะค่ะคือท่านต้องการเน้นจุดนี้มาต้าองการเน้นจุดนี้คะนะคือถ้าเราคิดว่าเราจะตกเป็นเหยื่อของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนะไม่รู้ใครทําล่ะแล้วคุณก็เลือกได้ที่คุณจะจมปลักอยู่ในความทุกข์หรือคุณเลือกที่จะออกจากความทุกข์นี้ได้ มีอยู่นะนะที่พึ่งภายนอกนะสักหนึ่งหรือสองวิธีที่จะดับความทุกนี้ได้เดี๋ยวเราจะค่อยไปพูดกันว่ามันคืออะไรแต่ทางออกมีอยู่ทางเลือกมีอยู่อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกไหมว่าคุณคะจะออกไหมค่ะลองถามตัวเราเองดูนะคะว่าเวลาเราได้รับความทุกข์แล้วเราตี อ, อกชกตัวข้าครวนรำพันนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหตี อ, อกชกตัวอยู่เป็นแรมเดือนบางคนเป็นปีแล้วนะคะสมมติมนะคะ อกหักหรือพิดหวังอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยพูดไม่จบเลยทุกทรมานไม่จบแล้วพูดทีไรก็ช้ำใจทุกทีอย่างเงี้ยค่ะอืมกับอีกทางนึ่งก็คือว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าที่พอมีความทุกปุ๊บเราดิ้นรนเราหาทางเราหาใครที่จะมาเป็นคนพาเราช่วยออกจากความทุกข์ใช่ใช่ค่ ะ, ะที่พึ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไปตรงนี้นะบทเพียรชนะนี้ธรรมะต้องการให้ให้ท่องให้ได้เลยต้องฟังอัะท่องให้ได้เลย นะ บ, บุคคลเมื่อจิตมีจิตอันความทุกข์รบรัดแล้วย่อมถึงการสแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครหนอย่อมรู้วิธีเพื่อความดับไม่เหลือของความทุกนี้สัก1 ห, หรือ2วิธีคิดไว้เลยท่องให้ขึ้นใจคุณมีอะไรช้ำใจปุ๊บเอ๊ะใครหนอยจะรู้ทางแก้ของปัญหานี้สักหนึ่งหรือ2วิธีนะไม่หนึ่งก็2วิธีที่พึ่งภายนอกนะคานี้ลึกซึ้งมากนะคุณโยมติที่พึ่งภายนอก เน่ยเช่นว่า ค, คุณอยากได้โทรศัพท์มือถืออย่างนี้ไปต้นนะเอาปัญหาแบบโลกโลกบ้านๆเลยคุณอยากได้โทรศัพท์มือถือใหม่แเห็นโฆษณานแล้วมันอยากอยากนี่เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งใจเราหิวโหยใช่ไหมเออเราจะแสวงหาที่พึ่งไงขอพ่อดีกว่าแล้วพี่ว่าพ่อจะเป็นที่พึ่งนะให้เราอย่างน้อยก็อาจจะให้เราทํางานหรือว่าเอาเงินให้เราเลยเราไปซื้อโทรศัพท์ได้นะจะเป็นวิธีห่งหรือ2วิธีนะที่พึ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวมาวิเคราะห์ปัญหานี้วิเคราะห์ประเด็นนี้กันนะ นีคือที่พึ่งเนี่ยมันมีหลายอย่างพระเจ้าเคยเปรียบเทียบอย่างวัวน้อยหรือสุนัขน้อยลูกลูกเขาเรียกลูกอะไรนะลูกลูกสุนัขอย่างเงี้ยนะคุณยมติวดูลูกวัวเนี่ยเวลามันเจอภัยอันตรายอะไรปุ๊บมันก็จะวิ่งหาพ่อแม่แต่แต่อายุสองขวบสามขวบเจอคนไม่คุ้นเคยก็แม่ร้องไห้หาแม่ก่อนลักษณะเนี้ยคือหาที่พึ่งเนีซึ่งที่พึ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นบางคนใช้พระเครื่องเป็นที่พึ่งบางคนใช้ภูเขาเป็นที่พึ่ง บางคนเอาต้นไม้เป็นที่พึ่ง Sitting ซึ่งที่พึ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะไม่เป็นที่พึ่งที่กเกษมเพราะอะไรนะเพราะว่าบางทีเราไปพึ่งแล้วเราไม่ได้คําตอบนะไม่ได้โจทย์ตีโจทย์ไม่แตกหรือว่ากลับมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นแต่ารรมาต้องกานยกตัวอ ย, อย่างเช่นว่ า, าคุณมีความทุกข์ถูกคนหน้าดา่างนี้เป็นต้นแลเราก็เลยไปพึ่งไปพึ่งผับพึ่งบาร์อย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะคิดว่ามันจะคลายความทุกข์ นี่ก็เป็นที่พึ่งได้คิดว่าผับบาจะเป็นทางออกของปัญหาที่คุณเจอนะไปหากิ๊กหรือทำผิดศีลนะซึ่งอันนั้นจะนําปัญหาใหม่มาเพิ่มอีกนะก็จะเป็นการสร้างความทุกข์มันก็จะเป็นที่พึ่งที่ไม่เกษมนะพุทเจ้าใช้คํานี้อ่าซึ่งสิ่งที่เราต้องหาให้เจอก็คือที่พึ่งที่เกษมนะที่พึ่งที่อุดมที่พึ่งที่ถูกต้องเพื่อที่จะเราจะได้แก้ไขปัญหาของเราได้อย่างถูกต้องตามระบบนั่นเองค่ะหมายความว่าหาที่พึ่ง ภายนอกเนี่ยก็ต้องหาให้ถูกด้วยใช่ต้องเป็นที่พึ่งอันเกษมถูกต้องไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะให้เราพึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่พาเราไปจมปลักกับความทุกข์อีกแบบหนึ่งถูกต้องค่ ะ, นะะแล้วก็พอเราเลือกนะแล้วทำไมบางคนเขาไม่สามารถเลือกที่จะหาที่พึ่งภายนอกได้อันนี้ตัรมาต้องใช้คาว่าเลือกนะเพราะมันมีอยู่สองช้อยส์เท่านั้นน ะ, ค, ะคุณเลือกที่จะจมปลักอยู่ในความทุกข์หรือคุณเลือกที่จะ อ, อกมา ประเด็นคว่าทำไมคนที่เขาเลือกที่จะจมปลักเนี่ยเขาถึงเลือกอย่างนั้นทําไมเขาไม่สามารถที่จะเลือกออกมาจากความทุกข์ที่เขาจมอยู่ตรงนั้นได้แต่บางคนก็เก็บกดเป็นหลายปีหลายสิบปีคิดถึงเรื่องที่ทําให้ตัวเองช้ําใจทีไรเนี่ยมันก็เหมือนเอามีดมาปักอกตัวเองทุกทีนะคิดอีกทีหนึงก็ปักอกตัวเองทุกทีคิดทีหนึ่งก็ร้องไห้ทุกทีแต่ทําไมเขาถึงไม่สามารถที่จะเลือกที่จะออกจากความทุกข์ตรงนั้นได้แต่ถ้ามาเคยมาวิเคราะห์ หลายหลายการณีนะคุณโยมติ๋วเช่นเรื่องอกหักเป็นต้น <Okay. S 1> เช่นเรื่องบางคนถูกอทอดทิ้งหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเหล่านี้ <Okay. S 1> วิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะทำไมทำไมคนเราถึงไม่สามารถออกจากปัญหาตรงนั้นได้ซึ่งเป็น <Okay. S 1> คําถามเนี่ยเป็นคําถามที่เท้าวส ก, กัดเทวราชนะก็เคยไปถามพระพุทธเจ้าคือพระอินตัวเขียวๆเนี่ยน ะ, <Okay. S 1> ะหรือแม้แต่เทวดาองค์อื่นๆอีกหลายองค์ก็ถามคำถามพระพุทธเจ้าอย่างนี้เหมือนกันทําไมคนถึงออกมาไม่ได้ นะัปปุชาต์ตอบว่าเป็นเพราะตัณหานั่นะตัณหานี่มันดึงเอาไว้ค่ะแล้วก็จากทุกเนี่ยที่จะทำให้เกิดความคลายทุกได้เนี่ยคนนั้นจะต้องมีศรัทธานะัศรัทธานี่สําคัญมากทีเดียวนะัศรัทธาศรัทธ <c oughs> าเนี่ยเป็นเป็นผลนะอันเกิดจากความทุกข์คือคนเห็นทุกข์แล้วจะมีศรัทธานคนเห็นทุกข์แล้วจะมีศรัทธาพราะคุณมีศรัทธาปุ๊บคุณจะเริ่มเห็นที่พึ่งภายนอกดังนะนั้นการที่ถ้าเรา จมอยู่ในความทุกข์แสวงว่าคุณไม่มีศรัทธาศรัทธาในที่นี้ไม่ใช่ว่าศรัทธาทั่วๆไปนะแต่เป็นความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราถึงเรียกว่าศรัทธาค่ะแล้วก็เรื่องความมั่นใจตรงนี้ก็ต้องบอกว่าคือความมั่นใจในการตรัสรู้คือบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองมีศรัทธาพระพุทธเจ้าไหมพระเครื่องห้อยเต็มคอองเงี้ยน ะ, ะหรือว่าอาจจะมีพรทูตุ้งเยอะๆไปหมด แต่ว่าการที่เราจะเข้าถึงคําสอนได้อย่างแท้จริงเนี่ยคือเรื่องของการตรัสรู้เรื่องของคําสอนที่คุณมั่นใจว่าเฮ้ยคาสอนแบบนี้จะทำให้ฉันพ้นทุกข์ได้นะความมั่นใจตรงเนี้ยคือศรัทธาที่พูดถึงอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวฉันเพิ่งไปเจอคนที่เขาเคยมีความทุกข์แต่ว่าเขาเลือกถูกนะคะอืแต่ความทุกข์ของเขาเนี่ยดูไปแล้วถ้าเป็นคนอื่น ๆ, ๆที่ฉังเข้าใจว่าไม่น่าจะเลือกมาหาพระหาเจ้าคือเขาบอกว่าเขามีความทุกข์มากว่าค้าขายดี ม, มีคนมาสั่งซื้อสินค้าเยอะผลิตไม่ทันส่งเกิดความทุกข์มากกินยานอนหลับเท่าไหร่ก็ไม่หลับไม่รู้จะทำยังไงหาที่พึ่งหาถูกคมาหาเจอพระแล้วทุกวันนี้ชีวิตก็จเจริญก้าวหน้ากับการที่ใช้ธรรมะประกอบในการดำเนินชีวิตทุกด้านค่ะดีดีถูกต้องนะคือแสดงว่าบุคคลเนี้ยพอเจอสิ่งที่เรียกว่าอะไรเอ่อความร่ารวยชื่อเสียงเกียรติยศ ในความสุขต่างๆแล้วไม่ลุ่มหลงนี่คือเรื่องสําคัญนะไม่ลุ่มหลงไม่เพลิดเพลินไม่มัวเมาในความสุขที่เกิดขึ้นนั้นทําให้เขาเนี่ยยังมีสติอยู่สติในการที่จะาหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานหรือว่าในการที่จะคลายความทุกข์ที่เป็นทุกข์ก็เรียกว่าปัญหาเชิงบวกเนี่ยที่เขาพบเจอนั่นเองเพราะความไม่ลุ่มหลงนั่นเองเอซึ่ ง, ต, ง, ต, งต้องวิเคราะห์ต่อไปตรงนี้นิดหนึ่งว่า ถ้าผมว่ารุ่มลงแล้วจะเป็นยังไงแตนะ่ถ้ารุ่มลงแล้วเนี่ยจะทำให้เขาประมาทนะเพราะประมาทแล้วปัญหาต่างๆมันก็จะเริ่มเข้ามานะเช่นความเครียดบ้างนะเรื่องราวกับคนในครอบครัวนะหรือเรื่องราวกับเพื่อนร่วมงานพาร์ทเนอะร์คู่ค้าธุรกิจอะไรต่างๆก็จะตามมาได้ถ้าเขาประมาทค่ะแต่บางคนเขาจะรู้สึกอย่างนี้นะคะว่าในยามที่ความทุกข์กลังลรุร้าเนี่ยไม่ใช่เวลาที่จะมีความว่าง หรือว่าไม่ใช่เวลาที่จะหันไปหาในเรื่องของธรรมะเพราะเขาบอกโห้ยรับไม่ได้มันจิตใจไม่สบายไม่เปิดกว้างรับอะไรเลยอื<ม>ทำก็ไม่ทันหรอกช่วงนี้มันอย่างอื่นมันรุนแรงมากกว่าค่ะธรรมะจะช้า <c oughs> <c oughs> อก็ต้องทําความเข้าใจว่าเอถ้าเรามีชีวิตอยู่ด้ธรรมดังนั้นดับแรกก็คือไอ้สิ่งที่คนนี่ยจะเข้าใจกันก็คือว่าเอางั้นพูดถึงนิพพานหรือว่าทําจิตให้สงบชนิดที่เรียกว่าไม่ไหวติงไม่ต้องคิดอะไร นะอันนั้นอาจจะดูไกลไปนะสําหรับคนที่ต้องคิดวิเคราะหนะ์มีปัญหารอบด้านนะต้องทํางานติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆแลมันก็อาจจะดูไกลไปสําหรับบุคคลประเภทนั้นแต่จริงๆแล้วธรรมะอย่างเช่นว่าคุณขยันกันแข็งแล่งนะคุณมีความขยันนะคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้หรือบางทีเวลาของเราเนี่ยสูญเสียไปกับการเล่น Facebook การทํากิจกรรมอะไรที่มันไม่เกิดผลผลิตนะการกิจกรรมที่มันเป็นตัวค่าเวลา นะถ้าเราควบคุมจิตของเราไม่ให้ไหลไปใ น, ในแนวทางต่ําตรงนั้นได้เนี่ยประสิทธิภาพการทางานของเราอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ํานั่นก็คือธรรมะนะออหรือว่าการที่เราคุยเล่นตลกโปกหาเสียเวลาไปตรงนั้น เ, เราจะท่ามจิตของเรายัางไงไม่ให้ไหลไปในทางต่ำํำนะการควบคุมจิตตรงนี้ได้นั่นก็คือธรรมะมอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราทําความเข้าใจว่าไอ้เล็กๆน้อยๆที่เราฝึกปฏิบัตนะิอย่างเช่นความขยนันเช่นการฝึกสตนะิที่ไม่เป็นรูปแบบ น, น, นิดหน่อยตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา ง, งานของเราขึ้นด้วยซ้ําและยิ่งทําให้เวลาที่เราติดต่อสื่อสารผู้ค น, นก็ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วปัญหาเข้ามาก็แก้ได้อย่างถูกต้องคนจะพูดอะไรเราก็สามารถที่จะปริกันสถานการณ์กันมาได้ด้วยจิตที่มีธรรมานั่นเองนี่ก็ว่ากันด้วยเรื่องของการที่กําลังจะพาท่านทั้งหลายเนี่ยนะคะที่กําลังคิดว่าตัวเองมีความทุกข์บางคนบอกไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยแต่ถ้าฟังจากคําอธิบายว่าทุกข์คืออะไร การเกิดขึ้นมาก็ทุกแล้วอย่างเงี้ยนะคะ่ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยเกิดก็ทุกแล้วก็เพียงพอต่อการที่จะเงี่ยหูฟังแล้วนะคะใช่จะต้องทําอย่างไรกันเอ่อสิ่งที่ที่เป็นพุทธพจน์ที่เมื่อสักครู่ยังยังไม่ได้กล่าวให้มันจบให้มันถึงก็คือเรื่องของความดับไม่เหลือของทุกข์คืออะไรนะครับผู้ชมก็ในตรัสไปในที่นี้ก็คือเรื่องของความดับตัณหาในความดับไม่เหลือของตัณหาคือความดับของทุกข์นั่นเอง ทนี้เราจะทําให้ตัณหามันดับไปได้เนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการกระบวนการที่จะทําให้ตัณหาดับไปนั่นก็พูดถึงเรื่องของศีลสมาธิปัญญานั่นก็คืออริยมรรคมีองแปดนั่นจะเป็นกระบวนการที่ทําให้ตัณหาเนี่ยมันดับเพอตัณหาดับอะไรๆที่เราพบเจอมันจะไม่ใช่ความทุกข์อีกต่อไปคนที่เข้าใจเรื่องของความทุกข์รู้จักเหตุรู้จักตัวมันรู้จักว่ามันหนักมันเบาอย่างไร ผลของมันเกิดขึ้นอย่างไรนะแล้วก็วิธีการที่ทําให้มันดับไปได้เนี่ยคนที่รู้แล้วอย่างนี้เนี่ยนะไอความรู้ตรงนี้ภูริจ่าบอกว่าจะเป็นส่วนแห่งการจำแรกกิเลสนะจะเป็นส่วนแห่งการจำแรกกิเลสเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราทําความเข้าใจความทุกข์ที่เราอยู่ในปัจจุบันทําความเข้าใจความทุกข์ที่เราอยู่ในปัจจุบันเช่นอะไรบ้างนะคุณต้องไปกข้าห้องน้าหรือคุณจะต้องกินข้าวนะไอสิ่งที่เราอยู่กับปัจจุบันมันทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความทุกข์ เอจริงเหรอทำไมฉันะจะบางทีอาจจะยังไม่ได้ทุกเท่าไหร่ก็ได้ใช่เราก็ทำความเข้าใจในหกแง่มุมนี้เอ๊ะเหตุเกิดมันเกิดอะไรผลมันเป็นยังไงมันจะทำงไงได้นะเราไอ้ความทำความเข้าใจตรงนี้จะเป็นไปเพื่อที่จะเป็นการชำระ ก, กิเลสให้มันหมดออกไปได้ค่ะท่านฝังที่เคารพคะนี่ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะได้แสวงหาที่พึ่งภายนอกที่ถูกต้อง ถูกไหมคะนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8ดแล้วเรื่องของอริยมรรคมีองค์แดเนี่ยคือการเราทําความเข้าใจเรื่องเหตุเกิดความดับในตัวมันเนี่ยชื่อว่าเราปฏิบัติตามอาริยมรรคมีองค์แปอยู่ตลอดเวลาในเพราะการใคร่ครวญตรงเนี้ยชื่อว่าคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้ไอความเพียรที่คุณใส่เข้าไปในการใคร่ครวญก็เป็นสัมมาวายามายอย่างหนึง่งอย่างเงีย้ยแปดอย่างก็อยู่ในนี้หมดค่ะและอย่างกับที่ ท่านได้พูดถึงว่าทุกข์คืออะไรเนี่ยบางคนกล้าจะบอกว่าโอ้ยทุกข์เราไม่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสหลอกเพราะว่ามันมีความละเอียดแตกต่างแล้วก็เป็นความทันสมัยมากกว่าแต่ถ้าท่านศรัทธาอย่างน้อยเบื้องต้นก็รู้สึกว่าออพ่อแม่เราก็นับถือนะเราก็เป็นชาวพุทธนะแล้วมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรมศาสดาที่รู้แจ้งในเรื่องที่พวกเราควรจะรู้เนี่ย ก็ลองปฏิบัติตามดูดีไหมคะใช่นะคะลองเลยเนี่ยกระโดดเข้าไปหาอริยมรรคมีองค์แเลยถือว่าเราไปชั้นก้าหน้าไปไหมคะท่านคะอุ้ยแอดวานซ์เร็วไปนิดนึงเอออย่างแค่ว่าเราฟังรายการเนี่ยนะการที่เรามาตั้งจิตในการที่เราจะฟังรายการธรรมะใดรายการธรรมะหนึ่งก็ได้นะคุณมีสมาธิที่ทันทีเลยนะสมาธิที่เกิดขึ้นทันทีเดียวนั้นเลยนะอ่าซึ่งสมาธิถิที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นรุ่งอรุณของอริยมรรคมีองค์8ที่จะตามมา ในผู้ชอบเกิเปรียบเทียบอย่างตอนตีห้าตีหครึ่งเนี่ยพระอาที่มันเริ่มจะขึ้นเนี่ยเ e ส้นที่ขอบฟ้าเนี่ยก็จะมีแสงสีทองกับแสงสีขาวเกิดขึ้นมาก่อนนะเราถ้าเห็นแสงสีทองแสงสีขาวนี่คุณมั่นใจได้เลยเดี๋ยวดวงอาทิตย์ดวงเต็มเตมเนี่ยมันจะกำลังจะขึ้นมาเช่นเดียวกันถ้าคุณจะรู้จักในการฟังธรรมคุณมีสมาธิฐิเบื้องต้นละแล้วมั่นใจได้เลยว่าอีต่อใบสักหน่อยเนี่ยอริยมรรคมีองค์แทั้งหมดจนถึงสมาธิสติพวกนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยโผล่ขึ้นมามหแนนนน่่อใใ้้ัจได ขอให้มั่นใจว่าท่านเห็นแสงทองของอะไรนะครับนเป็นสักครู่นี้ที่ขอบฟ้าที่ขอบฟ้าแล้วะนะคะอ่าแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับธรรมชาติก็คือพอเริ่มเห็นแสงทองเดี๋ยวก็จะสว่างเต็มที่ชีวิตก็จะดูสดใสเบิกบานสามารถที่จะทําอะไรดีๆขึ้นอีกเยอะเปรียบเทียบเช่นนั้นดังนั้นดังนั้นตรงนี้ก็คือว่าถ้ามีความเชื่อมั่นมาฟังทำแล้วนี่ได้ไปแล้วหนึ่งสัมมานะคะสัมมาทิฏฐิเป็น หในอริยมรรคมีองค์8เรียบร้อยแล้วท่านพิบูลน์ก็บอกว่าพระพุทโธตรัสว่าองค์อื่นๆจะตามมา<ช>เอง<ช>และความทุกข์ก็จะน่าน้อยลงไปเองด้วยตูกตัง<ม>ตู่ตังไม่มีใครพิสูจน์ให้ท่านได้เลยนะคะต้องตัวท่านเอ ง, งแล้วเวลาของเราที่จะมาพูดคุยขยายความในวันนี้ก็คงจะได้เท่านี้ก่อนนะคะท่านพิบูลน<ช>์ค่ะ นะคะกราบมหัศการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านฟังที่ครบรอคะนี่คือรายการสันสินีสนทนานะคะก็ต้องนมัสการขอบพระคุณท่านไปบุญเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าท่านเองนั้นมีพรกิจเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังเมตตานะคะที่จะให้พวกเราได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะทำหน้าที่ของพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าของเราได้อย่างดีเยี่ยมก็เป็นโชคดีของท่านทั้งหลายนะคะที่มีโอกาสได้สดับ ได้เข้าถึงสมามราทิทฐิอันจะนำไปสู่อริยมรรคมีองแัดองค์อื o ่นๆต่อไปอีกขอเพียงแต่ว่าเมื่อมั่นใจแล้วลองเอาไปใช้นะคะแล้วดิฉันเชื่อการันตีได้เลยว่าความทุกข์ของท่านจะน้อยลงติดตามรับฟังรายการสัสนีสนทนาซึ่งได้รับเวลามาจากทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM-106 ต้องอนุโมทนากับทางสถานีเลยนะคะก็มีจิตที่เป็นกุศลเป็นอย่าง ย, ยิ่งที่จะให้เรามีโอกาสได้นา สิ่งที่มีค่านี้มาบอกกับท่านทั้งหลายรับฟังรายการกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้พุท่วสวัสดีค่ะ